เราเนี่าเรามาฝึกหัดวิชากรรมฐานสอนกายสอนใจให้ใช้งานได้ให้เราสอนกายสอนใจได้ก็เป็นมรรคผลในพานถ้าเราไม่หัดไม่สั่งสอนกายใจของเราก็ไปสู่พวกปุ่มต่างๆตกต่ ำ, ตำตาอบาย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 หกกษัตริย์เข้าเมืองเกินพระเวทสันดอนอาศักันหาชาลีเจ้าคงสนชัยพระนางพุทธศรห้างหกกษัตริย์พบกันฝนโบกกลหพัดตกลงมาเออผู้ใดประสงค์จะเปียกก็เปียกผู้ใดไม่ประสงค์จะเปียกก็ไม่เปียกประเทศจบ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 ก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงแปลงทาบทุญทำทานรักษาชิ้นก็ทำอยากได้บุญแต่ไม่รู้จักบุณตัวาบาปแต่ไม่รู้จักบาปจนเราก็ได้เรียนได้อ่านว่าจิตอยาให้เกิดบุญมีทานไม่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 ชีวิตตั้งชีวิตมีแต่พุทธโธเกี่ยวข้าวกับพุทธโธปักดำนาคุพุทธโธจอบจอบขุดลึนลงไปกับพุทธโธนวดข้าวก็พุทธโธ ท, ทำไรก็พุทธโธจนติดก็ไม่รู้จักวนจักบาปเจริญได้ยินจิเศสจับหลงกุเทียนสอนให้รู้จับวนจักบาป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 เห็นชู ม, มุดเห็นลูกทุกเห็นนามทุกเข้าไปได้เห็นลูกทุกเห็นนามทุกที่มันเกิด อ, อยู่กับลูกสงสารลูกไม่เคยช่วยเหลือลูกโอเฮ่ลูกเป็นทุกทุกก็เป็นทุกอะไรที่มันเกิดเป็นทุกจากลูกมากมายเอามาเป็นทุก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 รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเปตอบคําเดวคือรู้แล้วรู้แล้วไม่มีองินเดิมนี่ความไม่เที่ยงรู้แล้วนี่ความเป็นทุกข์รู้แล้วนี่ความไม่ใช่ตัวตนรู้แล้วสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดไม่ใช่ตัวตนไม่ควรไปรยึดว่าเป็นเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราตลังที่เราสวดพระสวดสงขารคือร่างกาย จ, จิตใจ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 หูก็เป็นวัตถุกายก็เป็นวัตถุตายมันก็ต้องมีอาการหูตาจมูกทิ้นมันก็ต้องมีอาการวัตถุอาการเห็นเปรตมัดเปรตละมัดไม่มีอะไรวันหยาดตามันเป็นจริงอยู่นั่นรวมทุกข์ก็จริงแบบทุกข์แต่มันไม่จริงแบบไม่ทุกข์รวมเปรี่ยงก็จริงแบบไม่เที่ยงแต่มันไม่จริงแบบเปรมเที่ยง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 ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้าไปอยู่ตรงนี้ได้ชีวิตมีที่อยู่ในที่ตั้งไม่หวั่นหวจะเหมือนที่พึ่งกับพึ่งรู้จักจอดฉันารู้จักพุทธาสนาตาอสาคือคนคนไม่มีทุกข์พุทธโสตฉันาคือปัญญาออกจากทุกข์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 เขาบอกมันเบาไม่เหมือนก่อนตรงพ้นเพราะวะเดิมต่างเขาแทบจะบอกว่าเป็นพระก็ไดนะ่ะพระคือลักษัะแบบนี้เป็นดินเป็นพรมก็ได้มีคุณธรรมก็ปิดอบายก็ได้ปิดอบายจะพรมได้ตึกขาดเปิดทุกอก่ฉงจลุกแต่ฉันปิดใต้แด่ดดขาด เพราะเราเห็นกันเหมือ น, นคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่ก่อนเป็นเด็กเห็นชิ้นก็ลงเล่นชี้นโคนงได้ตอเป็นผู้ใหญ่มันก็นลงไปมารมดานี่คือกรรมาฐานทำไมชื่อตเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทางสติปัญญาเปลี่ยนจากยึดัยมันจะให้ลงคมขืน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 กายใจของเราได้มาจากวิรามนานตะเอามาทำความดีเอามาให้เกิดมาเกิดผลจนเธอได้ชีวิตเนี่ยวอวินี้เป็นชีวิตอมตะแลาเราไม่ได้ชีวิตแบบนี้เราก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับหนอยเพพบร้อยชาติสุกเป็นสูกทุกข์เป็นทุกข์หลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธลิกเป็นลักเกียติชังเป็นเกียรติชังพอใจไม่พอใจล่มเหลวทั้นั้น ที่แบบนั้วเนี่ยถ้วเราไม่เป็นอะไรมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายมันจะกขหมวดมาให้เห็นอะไรที่มันอยู่ในกองรูปกองน้ำมันคืออะไรบอกหมดถ้าจีขันห้ารูปไม่เที่ยงวิทนามิเที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไว่เที่ยงวิญญาณไว่เที่ยง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 สมองสมองเนาะจนทําให้เป็นเป็นแหละกห็หัดหัดมีที่ตั้งมีกรรมฐานมีที่ตั้งเคลื่อนมือเข้ายก อ, ออกให้ ล, ลูกอยู่เนี่ยเราลองกับลูกอยู่เนี่ยตั้งไว้ตรงนี้กรรมคือการกระทาฐานคือที่ตั้งมีที่ตั้งมีการกระทำการกระทำคือให้ลูกอยู่บ่อย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 เวลามันลองเปลี่ยนหลงได้อยู่เวลามันโกรธเปลี่ยนโกรธได้อยู่เวลามันทุกข์เปลี่ยนทุกข์ได้อยู่ในควทุกข์เป็นฉังขานจริตใจเป็นสังขันไม่ควรยึดว่าเราว่าของเราเปลี่ยนได้ถ้าบางคนไม่เปลี่ยนเอาไปเป็นอุปท า, านยึดได้ในความทุกข์ ยึดว่าในความโกรธยึดว่าในความพอใจไม่พอใจ อ, อุ่ปทานขันธ์หาเป็นทุกข์เปลี่ยนได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่อุปถาวัจจะทรไมโน่เนี่ยมันยืดไ้เฉยๆวัชิตวัโลชันติวาง ส, ว า, ง ส, ส, งสขขาวางสาเต่งมูปะชมสุโขทวารแล้วจะเป็นไม่ทุกข์ไม่หลงไม่โกรธ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 เขาเขียนป้ายที่ที่นั่งไว้แล้วก็ไปนั่งแล้วก็นั่งหายใจเข้ารู้สึกหาเจออกรู้สึกไม่ได้เฉกับเราหายเขารู้สึกบางทีก็ยกมือเคลื่อนไหวสักสิบตัวเนี่ยถ้าหราใจดีแล้วมันก็ไม่เบียดเบียนแล้วเอาเหมือนสร้างนี้ว่าบางทีเขาเขาม่เขาไม่ได้เขาถึงใสย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 อาจารย์คำถามมาจากขอนเก่นพระเจเจแก่เท่าไม่รู้จิตจับปีกมาสองคนนาก็มานั่งใกล้เราเนี่ยอายุเจเ็ดสิบแปดสิบปีโยมไม่มาหามันนี่เหมอนกูมาอะไรมาแล้วไม่ได้มีอะไรน้องตาก็ดูหน้าบูดปดเอาแล้วพระเจเจอเจาร์ อาลกแล้วหน้าโบยโดร่อยนร่อยไม่มีใครมาหามันหมุนกุมอะไยังไงไม่มีอะไรตัง้งๆที่เขาให้นั่งเราก็ทำเลยจะมีคาถาอะไรก็ว่าลงไปเลยว่าเสร็จแล้วก็รีบหนีไปอันนี้มือนั่งบนหลวงตาก็มีสติอยู่หลวงตานั่งก็นั่งบนบนนี่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 ถ้าเห็นซากศพก็ศพมันบอกเราแต่ก่อนก็เราก็เหมือนท่านต่อไปท่านทั้งหลายจะเหมือนเรานี้นี่คือของจริงเพราะนั่นเราจรึงรู้วันนี้ซะในความเที่ยงในความทุกข์รู้เดี๋ยวนี้ในความเกิดเ จ, เ จ, เจ็จะบตายรู้เดี๋ยวนี้ ึงเหนือกาอกระเจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเจ็บใครเจ็บใครตายเดี๋ยวนี้เนี่ยนี่กรรมฐ า, านไปสุดสุดเลยสุดแผ่นดินสุดโลกจบแล้วจบแล้วถ้าเราไม่ศึกษาแล้วนี่อะไรชีวิตของเราที่จะมีประโยชน์อย่าประมาทอย่าเราให้อ้างโน่อนอ้างนี่ผมหลงมันไม่อ้าง